แนะนำบทอัลอินซานบทอลอินซานหรือบทอดัดาฮรีเป็นบทมาดานิยามี31องค์การที่กล่าวถึงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับโลกอาคิรอโดยเฉพาะความสุขสาราญของบรรดาผู้ยงเกรงมีธรรมะซึ่งพำนักอยู่ยานทาวอในสวนสวนรรค์อันบรมสุขบทนี้ได้เริ่มชี้แจงถึงเดชารุภาพของอัลลอ์ในการสร้างมนุษย์ไว้หลายขั้นตอน และเตรียมให้เขารับหน้าที่ที่จะถูกมอบหมายในเรื่องของการเคารภพภักดีโดยเราจะทรงให้เขามีประสาทความรู้สึกต่างๆเช่นการได้ยินได้เห็นเป็นต้นบทนี้ได้กล่าวถึงความสุขชําราญที่เลาทรงจัดเตรียมไวใ้ให้แก่เขาในปรโลกสําหรับชาวสวรรค์ต่อมาบทนี้ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของบรรดาผู้ที่มีความสุขอย่างละเอียดพอสมควรโดยกล่าวถึงพวกเขาในการปฏิบัติตามคํามั่นสัญญา การให้อาหารแก่คนยากจนโดยหวังความโปรดปราจากอาลัลลอฮ์การกลัวการลงโทษของอลัลลอฮ์การกล่าวว่าแท้จริงอลัลลอฮ์ได้ทรงให้ความปลอดภัยแก่พวกเขาในวันที่มีแต่ใบ ห, หน้าบูดบึง้งหลังจากนั้นบทนี้ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของบุคคลเหล่านั้นแล้วบทได้สรุปดีถึงสิ่งที่พวกเขาจะรับจากอาลัลลอฮ์เช่นการตอบแทนและการได้รับเกียรติในสถานที่สำนักและสิ่งที่อลัลลอฮ์ จะประทานให้แก่พวกเขาเช่นเมตาตากรุณาและความปร่ปรานในวันแห่งการตอบแทนวันนี้ได้กล่าวต่อไปถึงความสุขสําราญของชาวสวรรค์ในเรื่องของการกินการดื่มเครื่องแต่งกายและคนรับใช้ที่วนเวียนรับใช้พวกเขาในยามเช้าและยามเย็นวั น, นนี้ได้จบลงด้วยการชี้แจงว่าอรุณา น, นี้เป็นข้อเตือนสติแก่ผู้ที่ค้ายวรวนหรือผู้ที่มีความคิดเห็นที่ฉลาดสุ ข, ขุม ซึ่งต้องการแสงสว่างจากอลกาัลกุรอานโดยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุนาผู้ทรงเมตตาเสมอแน่นอนการเวลาที่ยาวนานได้เกิดขึ้นแก่มนุษย์ เมื่อเขาไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกกล่าวถึงเลยแ จ, จ, จริงเราได้สร้างมนุษย์มาจากน้ำเชือผสมหยดหนึ่งเพื่อเราจะได้ทดสอบเขาดังนั้นเราจรึงทำให้เขาเป็นผู้ได้ยินเป็นผู้ได้เห็นแท้จริงเราได้สร้างมนุษย์มาจากน้ำเชื้อผสมหยดหนึ่งเพื่อเราจะได้ทดสอบเขาดังนั้นเราจึงทาให้เขาเป็นผู้ได้ยินเป็นผู้ได้เห็หน แท้จริงเราได้ชี้แจงทางนำให้แก่เขาแล้วบางทีเขาก็เป็นผู้กระตังอยู่บางทีเขาก็เป็นผู้เนรคุณแท้ س س จริงเราได้เตรียมโซ่ตรวนและกุญแจมือและไฟที่ลกโชดช่วง สำหรับบรรดาผู้พฏิเสธศรัทาแล้วถ้าจริงบรรดาคนดีนั้นจะได้ดื่มจากแก้วน้ำซึ่งผสมด้วยคารบูลหอมเป็น ต, ตาน้ำู้ที่พวงเบาของอัลลอฮจะได้ดื่ม พวกเขาทำให้มันป่วยพุ่งออกมาอย่างล้นเหลือพวกเขาปฏิบัติตามคำสาบานและกลัวต่อวันหนึ่งที่ความชั่วร้ายของมันจะกระจายไปทั่วและพวกเขาให้อาหารหด้วยความรักต่อพระองค์ แต่คนยากจนเด็กกำพร้าและเฉลยศึกพวกเขากล่าวว่าแท้จริงเขาให้หารแก่พวกเจ้าโดยหวังความโปรดป่านของอลเราไม่ได้หวังการตอบแทนและการขอบคุณจากพวกเจ้าแต่ประกาพวกเขากล่าวว่าแท้จริงเขาให้อาหารแก่พวกเจ้าโดยหวังความโปรดปรานของอัลล์เราไมได้หวังการตอบแทนและการขอบคุณจากพวกเจ้าแต่ประกาใด แท้จริงเรากลัวต่อพระผูพิบาลของเราซึ่งเป็นวันแห่งหน้านิ้วคิ้วขมวดและแสนสาหัสดังนั้น a l l a จะสรงปกป้องพวกเขาให้พ้นจากความชั่วร้ายของวันนั้นและจะทรงให้พวกเขาพบกับความสดชื่นและความสิติว่จจะฮุบมาซัตรอจันนตอว์และรีรา และพระองค์จะทรงตอบแทนแก่พวกเขาด้วยสวนสวรรค์และไมแพร์เนื่องจากพวกเขาอดทนพวกเขาจะนอนเอกเนนะอยู่บนเก้าอี้นวมยาวในสวนสวรรค์พวกเขาจะไม่พบเห็นแสงอาทิตย์และความหนาวเหน็ก และร่มเงาของสวนสวรรค์จะปกคลุมพวกเขาอย่างใกล้ชิดและผลไม้ในสวนสวรรค์จะถูกน้อมก่ำลงมาใกล้พวกเขาและมีภาชนะที่ทําด้วยเงินและแก้วน้ําที่ทําด้วยแก้วใส ถแกว้วที่ทำด้วยเงินโดยพวกเขาจะเติมมันตามสัดส่วนที่พวกเขาต้องการและในสวนสวรรค์ น, นั้นพวกเขาจะรับเครื่องดื่มจากแก้วที่ผสมด้วยขิง ในสวนสวรรค์นั้นมีตาน้ําูุที่มีชื่อว่าสซนส์วิลและมีเด็กวัยรุ่นวนเวียน ร, ร, รอบๆคอยรับใช้พวกเขาเมื่อเจ้าเห็นพวกเขาเจ้าคิดว่าพวกเขาเป็นไข่มุกที่เรียงวราย หรือมาเจ้ามองไปยังที่นั่นเจ้าจะพบแต่ความสุขและอาณาจาักรอันกว้างใหญ่ไพศาลบนพวกเขามีผ้าสีเขียวทำด้วยไหมละเอียดและผ้าไหมห ย, ยาดและถูกประดับด้วยกำไรเงิน และพระพู้อภิมาลของพวกเขาจะทรงให้พวกเขาได้ดื่มเครื่องดื่มอันบริสุทธิ์ยิ่งนั่นนี่คือการตอบแทนแก่พวกเจ้าและการบากบั่นของพวกเจ้านั้นเป็นที่ยอมรับด้วยความยินดีนันนี่คือการตอบแทนแก่พวกเจ้าและการบากบั่นของพวกเจ้านั้นเป็นที่ยอมรับด้วยความยินดีลา แท้จริงเราได้ประทานอัลกุรอานให้แก่เจ้าเป็นชั้นตอนดังนั้นเจ้าจงอดทนต่อการตัดสินของพระเจ้าของเจ้าและอย่าเชื่อฟังคู่ประพฤติชั่วและผู้ปฏิเสธศรัทธา ในหมู่และจงรำลึกถึงพระนามของพระเจ้าของเจ้าในยามเช้าและยามเยน็นและจากส่วนหนึ่งของกลางคืนเจ้าจงสุญูด ต, ต่อพระองค์แต่จงแท้สองสดุดีต่อพระองค์ ในยามกลางคืนอันยาวนานแท้จริงชนเหล่านี้พวกปฏิเสธศรัทธารักชีวิตชั่วคราวและปล่อยทิ้งวันอันหนักหน่วงไว้เบื้องหลังของพวกเขา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 แต่นั้นผู้ใดต้องการให้เขายึดแนวทางสู่พระผู้วิบาลของเขาแต่พวกเจ้าจะไม่สมปรารถนาเว้นแต่ที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์ ้าจร ง, งรอบรองค์าารท ร, ดดร ง, งให้ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์เข้าสู่ความเมตตาของพระองค์แต่บรรดาผู้ทำนั้นพระองค์ทรงเตรียมการลงโทษอันเจ็บปวดไว้สำหรับพวกเขา